ภาวนามาตลอดไม่เลิกนะทําทุกวันเลยฝึกทุกวันขนาดออกไปตอนอายุ29นะไปหาหลวงปูดด่โดนไปหาหลวงปู่เทศอะไรเนี้ยพวกคุณป้าคุณยายในวัดนะตามวัดมีแต่ยายแก่ทุกวัดเลยวัดอรูบาจารย์นั้นมีแต่ผู้หญิงสูงอายนะุเราเรียกว่ายายแก่ไม่งามจริงนะจริงแก่แต่ใครอย่าว่าเขานะ โกรธอย่างหินมักแป้งนะคุณหญิงคุณนายเพียบเลยคุณหญิงบางคนก็ถือตัวนะยังมีเนนไปเรียกยายอุ้ยโกรธโกรธมากเลยไปฟ้องหลวงปู่เนนนี่ไม่มีสัมมาคารวะดิฉันเป็นคุณหญิงมาเรียกดิฉันว่ายายความจริงถ้าเรียกพี่จะไม่โกรธหรอกโกรธตรงเรียกยายอ่ะ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 ฟังด้วยหูคิดด้วยสมองเนี่ยเราแยกไม่ออกอะอย่างเราได้ยินนะไปไหนเขาก็บอกว่าให้ฝึกสติปัฏฐาน4ี่เคยได้ยินไหมไปไหนก็สติปัฏฐาน4ีที่นี่ก็แนวสติปัฏฐาน4ี่ที่นี่ก็สติปัฏฐาน4ี่ี่หมดเลยไปไหนก็4ีหมดเลยแต่สีไหนไม่รู้อนะสภาวะมันแตกต่างกันนะพอลงมือปฏิบัติจริงนะให้รู้รูปนามตามความเป็นจริง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 ไม่ได้เห็นคําว่าวิปัสนาจริงๆต้องเห็นเห็นรูปนามเราพูดคาว่าเห็นเดี๋ยวเอาตาไปเห็นความจริงเราเห็นด้วยใจหลวงพ่อเลยไปใช้คําว่ารู้ถ้าใช้คําให้ถูกต้อใช้คําว่าเห็นคําว่าวิปัสนาวิปัสณะปัฏณะว่าเห็นการเห็นวิเอกอเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นอย่างถูกต้องเห็นแจ้งเห็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์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 เคยได้ยินควาว่าใจกลางไหมขึ้นมาจากกลางกลางจริงๆขึ้นมาจากหัยะจริงๆนะหัยะวัตถุจริงๆในอภิในอริธรรมมีคำ ว, ว่าหาัยะวัตถุในพระไตรปิฎกใช้ควาว่าหัตยะใจนะไม่ได้พูดควาว่าหัยะวัตถุบ้างรู้สึกจะใช้หัธยะนะไม่ใช่หัยทิพหัยะเฉย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 ถ้าเราแยบคายเราต้องคอยสังเกตอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าได้โสดานะอาจจะวิปัสสนูก็ได้แล้วส่วนใหญ่ก็วิปัสสนุจริงๆด้วย <g ül> แล้วทําวิปัสสนานะจะเจอวิปัสสนุแล้วทสมถะจะเจอนิมิตนะนิมิตก็มีทุกอย่างนะนิมิตที่เป็นรูปก็มีนิมิตที่เป็นเสียงก็มีที่เป็นกลิ่นก็มีที่เป็นรสก็มีที่เป็นสัมผัส ท, ทางกายก็มีนะนิมิตที่เกิดทางใจก็มี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 S 1> <S 1> <S okay. อาเก่นะอาเชิญไปทานข้าวนิมนเลยครับนิมน